โป่งก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ให้โทนพราม์ฟังต่อไปว่าเราจะเพ่งได้กำเนิดเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนทันผู้เหาะเหินเพราะอาสะวะเหล่าใดอาสะวะบางทีก็หมายถึงกรรมกรรมที่ไป น, นำเกิดในกำเนิดเทวดากรรมที่ทําให้เกิดในคนทนันหรือเราจะได้เกิดเป็นอัตภาพยักษ์หรืออัตภาพมนุษย์เพราะอาสะวะกิเลสและกรรมเหล่าใดอาสะวะกิเลสกรรมเหล่านั้นเราทําให้สิ้นแล้ว นะทำให้สิ้นแล้วเราทําลายแล้วทําให้ขาดสายแล้วเมื่อทําลายเมื่อถอนตันหาด้วยอริยมรรคอย่างเด็ดขาดเพราะแทงตลอดพระนิพพานถ้าตันหาดับอะไรดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็หมดสภาพเนี่ยนะหมดสภาพเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เอามาคั่วจนสุกแล้วเป็นสิ่งที่เพราะไม่ขึ้นอีกชั้นใดถ้าเมล็ดพันธุ์หมดสภาพแล้วอย่างนี้ถ้าเพราะไม่ขึ้น การเกิดจะมีไหมชาติต่างๆจะมีไหมชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าแน่พรามดอกบัวย่อมเกิดขึ้นมาในน้ำพ้นน้ำย่อม أ, น้ำไม่กำซาบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันโลกไม่เข้ามากำซาบใจของเราได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อแสดงธรรมอย่างนี้จบโทนพรามก็ บรรลุสามันยผลสามแปลว่าเป็นพระอนาคามีเสร็จแล้วเป็นคนที่นักชมที่เก่งมากเขาชมพระพุทธเจ้าหนึ่งสองพันบทหนึ่งสองพันคาถาอันนั้นนั่งชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะพิมพ์เปนหนังสือเป็นเล่มเหมือนนั่นอคือเป็นคนที่เก่งมากนะอาศัยเรื่องราวเป็นคนที่มีปฏิภาณอ่ะนะคล้ายๆกับอุบาลีอุบาสกอะ่ะอุบาลีอุบาสกก็เหมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมันรู้เป็นพระโสดาบันนั่งชมพระพุทธเจ้าร้อยบทนีนะร้อยกระบท ชื่นชมโดยนัยะต่างๆบอกว่าท่านจะไปประพันธ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกไม่เห็นก็ชมได้เลยอ่ะว่างั้นอ่ะเอาก็ของดีอ่ะก็เหมือนกับคนที่อ่านหนังสือเป็นพอเห็นหนังสือปั๊บอ่านได้เลยไหมก็อ่านต่อไปเลยได้ฉันใดคนที่มีปัญญาเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอานาที่สุดไม่ได้ก็นั่งชมไปเลยก็เหมือนกับคนเห็นหนังสืออ่านไปเลยอ่านออกไปเลยอ่ะผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนการเห็นผู้มีปัญญาก็ชื่นชมคนมีปัญญาได้อย่างเรียกว่าไม่ต้องไปเรียบเรียงมาแต่งมาก่อนเลยเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะเก่งอยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะโดยปกติแล้วโทนพรามเนี่ยนะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีไปไหนลูกศิษย์ห้อมล้อมไปประมาณห้าร้อยคนเนี่ยนะเป็นคนที่มีเป็นเป็นที่เรียกว่าสมัยใหม่เรียกอาจารย์มหาลัยเนี่ยนะผันคนที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอาจารย์มหาลาัยแบบแบบไปไหนแล้วติดตามแล้วคําพูดทุกคําสิทธ์จําหมดอนะพูดอะไรก็ได้หนึ่งคำเนี่ยลูกศิษย์ต้องจําทั้งหมดเนี่ยเขาเขาความสามารถเรียกว่าลิ้นเขาเป็นอย่างนั้นนะและแต่ละคนก็ ก็แปลว่าเป็นพราหมณ์มหาสารที่ร่ำรวยมากตอนหลังเนี่ยนะโทนตพราหมณ์หลังจากที่บรรุชื่นชมพระพุทธคุณเขาเรียกว่าโทนคัคชิตะเสียงกระหึ่มคํารือสรรเสริญพระพุทธเจ้าในะประมาณหนึ่งหมื่นสบทเมื่อพระองค์ปรินิพานนี่ก็โทนตพราหมณ์ก็เข้ามาและไอ้พวกศิษย์ที่เรียนกับโทนตพราหมณ์พวกนี้ในที่สุดก็มาเป็นพวกอํามาตะเป็นพวกขราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะ ตามเมืองต่างๆก็แปลว่าถ้าพูดแบบภาษานี้ก็ว่าที่ไหนมั่งไม่มีลูกศิษย์โทนตพรามเมืองไหนมั่งไม่มีโดยเฉพาะประเภทหัวหน้านะไม่ใช่ประเภทเล็ก ๆ, ๆน้อยๆแต่เป็นประเภทหัวหน้าเป็นเสนาบดีเป็นผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะผู้ปกครองผู้สําเร็จราชการทั้งหลายเนี่ยโดยมากเป็นลูกศิษย์โทนตพราหม์ทั้งหมดเพราะทําไม่ใช่คนระดับนี้จะไปห้ามศึกอยู่ได้ยังไงเพราะพระเจ้าชาติศัตรูยกมาเองพระเจ้าชาติศัตรูยอมใครเป็นที่ไหนนะเนี่ย ฆ่าอย่างเดียวข้าราชสัตรูนั่นแต่ก็อย่างว่านะแต่ก็ก็ไอ้ส่วนที่คือมันก็ไม่มีใครเลวหมดนะแลมันก็ไม่ใช่มีใครดีหมดอ่ะในโลกวิสัยของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พอกองทัพเนี่ยมาประชิดกันเข้าใช่ไหมเขาข้าพเจ้าก็ดื่มนมท่านก็ดื่มนมพูดแบบเราเอาท่านกินข้าวข้าพเจ้ากินแกลบหรือข้าพเจ้าจะยอมท่านอย่างนี้แมก็ทางทุกคนมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละมา ลองดูกันดูซิเหมือนกันทีนี้โทนตะพราหม์ก็เลยไปขึ้นสู่เชิงโทนสูงมากเลยประกาศแต่เป็นคนพูดเสียงดังมากที่เราว่ากองทัพได้ยินทั้งหมดอะ่ะเป็นคนพูดเสียงดังมากก็พูดว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายในข้อหนึ่งรอยห้าสิบแปดหน้าสามรอสาสิบสาเนี่ยนะดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพวกท่านจงฟังคําอันเอกของข้าพเจ้าที่เราว่าเป็นค al, ําอันเดียวอเหมือนกันอ่ะ เอกในที่นี้ก็คือพูดเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้พูดให้แตกแยกกันนะพูดเพื่อความสมัครสมานสมามัคคีรองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงฟังคำเอกของพระพเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติสรรเสริญขันตินะการจะมาสัมประหารกันเข็นฆ่ากันเพราะส่วนแห่งพระสรีริธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคล น, นี้ เช่นนี้ไม่ดีเลย น, นะพระองค์สรรเสริญขันติเรามาฆ่ากันเพื่อชิงสิริราชของผู้มีขันติมันไม่สมควรเลยเหมือนนเราทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจกันยินดีแบ่งพระสิริราชออกเป็น8ส่วนเถิดเพราะว่าตอนนั้นมายกมา8ดเมืองยกมา8ดทับใหญ่เนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็นเเอ่อแบ่งออกเป็น8ส่วนเถิด ขอพระสถูปสถูปคือเจดีย์ที่สร้างครอบสร้างให้พระทระทาธานเนี่ยนะจงแพร่หลายไปในทิศต่างๆเถิดผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุมีอยู่มากถ้าแบ่งไปอย่างนี้กว้างใหญ่ไพศาลกระจายออกไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาจะได้สการะเคารพ บ, บูชาเพราะว่ามีผู้ที่เขานับถือพระพุทธเจ้าอยู่นี่เป็นจานวนมากเนี่ยนะนี อัตกถาอธิบายเพิ่มเติมบทว่าหน้าสี่ร้อยหสิบเอดเอวังวุเตโดโนโบรามโนความว่าโทนพราหมนั้นสดับเรื่องการวิวาทของกษัตริย์เหล่านั้นแล้วคิดว่าพวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาทกันในสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะไม่สมควรอย่างยิ่งะนะการทะเลาะกันนี้ควรจะพอกันทีจำเราจะต้องระ ง, งับการวิวาทนั้นะนะก็เลย เข้าไปประกาศอย่างนั้นโทนตพรามนั้นขึ้นไปสู่ที่ดอนที่สูงแล้วก็กล่าวคาถาโทณนะคัญชริตเรครว่าเสียงบรรลือของโทนตพรามประมาณสองพาณวาระไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็แม้ประกาศรวมตัวกันเลยนะเกแปาตะกขาก่อนเนี่ยนะปดตกขาตะะาสองพาณนะวาระก็แต่งหนังสือออกเล่มย่อมๆเล่มหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าพิมพ์มาเป็นหนังสือเนี่ยนะก็ประกาศเสียงลือสนันไปหมด อพอพูดจบเนี่ยนะเขบอกว่าภาวาระกรอื่นพวกเจ้าเหล่านั้นไม่รู้แม้แต่บทเดียวนะจนพานวาระที่สองเจ้าทั้งหมดก็พูดกันว่าท่านผู้เจริ์ดูนั่นเหมือนเสียงของท่านอาจารย์นี่คือตอนแรกท่านพูดนะ่ยก็พูดดังไปเรื่อยก็ไ ม, ม่มีใครสนใจอะ่ะก็คิดแต่เรื่องรบเรื่องทะเลไ ป, ไปมาเหมือนกับเสียงแว่แวๆเอ้่นี่มันเสียงอาจารย์เรานี่ อ, อาจารย์เราพูดอะไรทุกคนก็เลยเงียบเสียงกัน เขาบอกว่าในพื้นชมพูทวีปคนที่เกิดในเรือนตระกูลโดยมากเนี่ยนะคนที่มีฐานะมีตังมีทรัพย์กันเนี่ยโดยมากไม่เป็นสิทธิ์ของโทนตาพรามไม่มีโดยมากว่างั้นเถอะหายากเต็มทีที่ไม่ใช่ลูกศิษย์โทนตาพราบอกเอออาจารย์เราเอออาจารย์เรามาไงเนี่ยก็มาพูดกันคือปกติทั้งหลายเนี่ยอย่างอย่างโ บ, บ, บ, บราณเนี่ยเขาเคารพครูบาอาจารย์มากเนีนะพอๆกันเหมือนคล้ายๆกับเจ้าชีวิตเพราะฉะนั้นผู้อาจารย์แกรมหนึ่งนี่ก็หุ้ยเงียบกันหมดแล้วว่างั้นน่ะนะ ระบบบางประเทศก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยนะเว้นแต่ว่าระบบสมัยประชาธิปไตยนี่ก็พอกันหมดนะคะมันก็ไม่มีใครกับใครละทีนี้พ อ, อโทนตะพรา์ประกาศเนี่ยนะพวกเจ้าเหล่านั้นก็เลยนิ่งอยู่ ที่นี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของพวกเราใครก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราเนี่ยนะอัมหากังพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นของพวกเรากัรเนี่ยนะก็อะไรพุทธังสรณังขะฉามิกับอัมหากังพุทโธก็ความหมายเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอะหุขันติวาโดความว่าพระองค์นี้แม้ ตอนที่บําเพนบารมีตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพุทธภูมิยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บําเพนบารมีพระองค์ก็ไม่ทรงทาความโกรธในคนอื่นๆพระองค์ก็ทำแต่ความขันติอย่างเดียวความอดทนอย่างเดียวพระองค์สรรเสริญขันติอย่างเดียวสมัยเสวยราชสมบัติสมัยเสวยพระชาติเป็นขันติวาธีดาบทเป็นธรรมปาละกุมารเป็นพญาช้างฉับทันเป็นพญานาค ชื่อว่าภูริทัตตาจำเปยะสังคประหรือเกิดเป็นพยาลิงใหญ่กระบี่กระบี่คือลิงเนี่ยนะกระบีลิงหรือชาดกอื่นๆเป็นอันมากพระองค์ก็ยังสรรเสริญสันเซิญอะไรสันเสริญขันติเป็นเดรชานพระองค์ก็สรนเซินขันติเป็นมนุษย์เป็นอะไรพระองค์ก็สรนเริญขันติจะป่วยกล่าวไปยัยบัดนี้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้อดีตตอนสร้างบารมีพระองค์ก็สรรเสริญขันติ พระองค์บรรลุความเป็นผู is ้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพระองค์มีวาทะเรื่องขันติตอนบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ายังสรรเสริญขันติแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สรรเสริญขันติได้อย่างไรพันธ์พระองค์เนี่ยมั่นคงในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพระองค์จึงเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยขันติขันติก็คืออะไรขันติคือความอดกลั้นแปลว่า ขันติมาเอ้ยข่มไว้เถอดใจเอ้ยเนี่ยนะใช่ไหมขันตินี่แปลว่าอย่างมองเห็นคนอื่นเหมือนกับลูกตัวเองอ่ะนะมองเห็นลูกตัวเองมันอาจจะทะเลาะ ก, กันบ้างดุ ก, กันบ้างอะไรกันบ้างพ่อแม่คิดฆ่าเลยใช่ไหมกวนใจจริงเลยพวกนี้ฆ่าทิ้งมัง้งมีพ่อแม่เขาคิดที่ไหนหรอกเออก็รู้ว่าเออเนี่ยมันทะเลาะ ก, กันอ่ะแต่ก็ไอความขันติของพ่อแม่เอ่อดทํไว้นะลูกต้นไว้แยกกัน อะไลักษณะนั้นะเรียกว่าขันติแปลว่าคนที่ขันติไม่ใช่แม้กลัวเขาไปหมดยอมเขาไปหมดไม่ใช่อันนั้นก็ไม่เรียกว่าขันติอันนั้นเรียกขี้ขลาดนี่ยนะแต่คําว่าขันตินี่แปลว่าทนได้อะแปลว่าทําใจได้รับได้เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรแล้วคิดน้อมไปเพื่อการแก้ปัญหาอันนั้นเรียกว่าขันติเนี่ยนะไม่มองว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคไม่มองว่าอะไรเป็น ปัญหาเพราะฉะนั้นจะถูกเขาด่าก็ยังเรียกว่าเป็นปัญหานะถูกเขาโกรธเขาเกลียดเขาชิงชังเขาหาเรื่องเขาให้ร้ายป้ายสีเป็นต้นก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ตัวเองจะสร้างความดีต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีขันติไม่ใช่ว่าแดดร้อนก็บอกอ๊ย้ยอโทษแดดก็เลยไม่เจริญแล้กุศลโทษฝนก็ไม่เจริญแล้วกุศลโทษป่วยโทษแก่โทษจนโทษรวยโทษสารพัโทษแล้ว ไม่เจริญกุศลอันนี้เรียกว่าคนไม่มีความอดทนส่วนคนที่มีขันติไม่เห็นอะไรเพราะมันจะเป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลแม้แต่อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นจะเจ็บจะปวดจะป่วยจะอะไรก็ยังเจริญกุศลต่อไปได้เพราะอันนั้นแหละเรียกว่าขันติเนี่ยนะยังสามารถให้ทานรักษาศีลเจริญคุณงามความดีต่อไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่มา บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราแล้วมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันสมควรหรือไม่ดีเลยนะยังไงมันก็ดูไม่ดีอธิบายไม่ขึ้นอย่างงี้ยน่ยอายลูกๆอายก็อายรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญเพราะฉะนั้นท่านจงเกื้อกูลกันอย่าแตกกันเลยนะเกื้อกูลเนี่ยสหิตตาแปลว่ามีเมตตาต่อกันทุกคนเนี่ยก็เจริญเมตตาให้แก่กันสิ ทุกคนหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งเขามีความสุขและความเจริญเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้สมัคราประชุมสามสมักสมานสามะคีพูดคำเดียวกันสามะคีกันสามะคีกันด้วยกายและวาจาเถิด จงเป็นผู้บันเทิงต่อกันและการต่อกายและจิตเนี่ยนะดีใจที่แบบโอ้เนื้อกระเมืองนั้นเขาก็นับถือพระพุทธเจ้านะพวกนี้เขาก็นับถือพระพุทธเจ้าวพวกเราในฐานะพุทธสาวกมารวมกันมาบูชาพระธาตุกันเออทําไมไม่คิดอย่างนี้ล่ะไม่คิดแหมนี่ของเราท่านยามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันแบบว่าบางทีเนี่ยโดยพิสูจทะเลาะกันแม้ที่นั่งบูชาพระธาตุอันนี้ก็เกินไป กเพื่อนั่งเจริญกุศล่ทะเลาะกันเรื่องที่นั่งแล้วเนี่ยนะหนักหนาสาหัสเหมือนกันมันก็คนมีกิเลส น, นะไปอยู่ที่ไหนเอคือเหมือนกับว่าคนมีโรคประจำตัวเนี่ยนะโรคมันกำเริบได้ทุกที่อ่ะเหมนนเถอะ ป่วยด้วยราคะป่วยด้วยโทสะป่วยด้วยโมหะไปอยู่ตรงไหนมันก็ป่วยได้หมดไข้มันขึ้นได้หมดนะนะไข้ใจไปอยู่ตรงไหนก็ไข้มันขึ้นกำเริบทลักมาทางกายบ้างวางวาจาบางังกรนลุกโชนไม่อยู่ในใจบ้างะนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคนมีไข่อ่ะนะคนมีไข่คนยังไม่หายสนิทเชื้อมันยังเต้ไปหมดเลยไข้ใจเนี่ย น, นะไ ข, ข้คือราคะมันก็ซึ ม, ซมแทรกก็เรายิ่งกับไวรัสเองนะไวรัสนี่มันก็วัคซีนป้องกันหรือฆ่าทิ้งก็จบแล้วนะแต่แม้ไวรัสใจนี่มันทำลายยากยากนะเนี่ย โดยเฉพาะราคาโทสะและโมหะเนี่ยทำลายยากจริงๆฉะนั้นทุกคนจงมีความสมัครสม า, ส, มาสามัคคีปรองดองกันพวกเราจงแบ่งพระสรีระของพระพุทธเจ้าบอกเป็นแปดส่วนจากขุมมโตพระพุทธเจ้าผู้มีจักรสูทั้งห้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักรสูห้าคืออะไรบ้างจักรสูห้าแบ่งเป็นหนึ่งมังสะจักรสูพระองค์มีตาเนื้อตาเนื้อโดยปกติของพระองค์เนี่ยมองเห็น รอบประมาณ16กิโเมตรทั้งกลางวันกลางคืนบนบกและใต้ดินเนี่ยนะใต้ดินใต้น้ําทะลุฟ้ากําแพงภูเขาได้ทั้งหมดเรียกว่ามังสะจักรสุสองพระองค์มีทิพจักรสุพระองค์งมีตาทิพพระองค์อยากจะเห็นอะไรเนี่ยก็จะเห็นตามความปรารถนาะเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือต่อไปพระองค์มีธรรมจักรสุคือพระองค์มีตาปัญญาที่เห็นอริยสัจเห็นทุกข์เห็นสมุ ท, ทยัยเห็นนิโรธเห็นอริยมรรคทั้งหลายและพระองค์มี สมุปุถัจจสุเนี่ยนะพระองค์มีจักสุที่เรียกว่ามียานคืออินทรีย์โปรปริยตญาณอาสยานุสยญาณที่ยังรู้อาศัยอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพุทธจักสุและสุดท้ายพระองค์มีสมันตะจักสุมีดวงตาที่เห็นโดยรอบเนี่ยนะเห็นรอบนนทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่ติดขัด อ น, น, นไม่มีอะไรติดขัดสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดความรู้ของพระ อ, องค์ก็มีประมาณเท่านั้นความรู้ของพระ อ, องค์มีเท่าปริมาณสิ่งที่ควรรู้อันนั้นเาเรียกว่าสมันตะจักสุ